การเจริญสตินะมันไม่มีพิธีรีตองอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปแบบนะว่าจะต้องนั่งหลับตาจะต้องเดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ยังไปต้องอมาทำที่วัดก็ได้หรือว่าไปเข้าคอร์สใดๆแค่ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรเมื่อมีสติ เมื่อใช้สติสติมันก็เจริญการมีสติอยู่กับการทำอะไรก็ตามเนี่ยมันก็มีหลักง่ายๆนะว่าตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะตัวอยู่นี่ใจก็อยู่นี่ไม่ได้ไปไหนตัวอยู่ห้องน้ำใจก็อยู่ห้องน้ำอาบน้ำมีสติตัวอยู่บนรถนะก็มีสติอาการขับรถ ตัวก็อยู่ที่รถนั่นแหละใจก็อยู่ที่รถด้วยนะมองไปข้างหน้านะก็รู้ทางแต่ก็ไม่ลืมอย่างน้อยไม่ลืมกายหรือให้ลองทําอะไรทีละอย่างตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นมันจะทําทได้ง่ายขึ้นนะเมื่อเรา ทำอะไรก็ทำทีหลายอย่างเวลากินข้าวนะก็ไม่ต้องคิดอะไรวางเรื่องงานเรื่องการเอาไว้ก่อนเวลาขับรถก็ใจก็อยู่กับการขับรถนะยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขับรถถ้าทำหลายอย่างพร้อมกันนะ นอกจากสเ ต, ตจะไม่ได้ก้าวนานแล้วบางทีมันก็เกิดปัญหาหรือเกิดอันตรายขึ้นมาก็ได้ทั้งๆ ท, ที่สิ่งที่ทํานี่ก็ไม่ได้มีพิษมีภัยหรือบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยซ้ํามีเพียงคนหนึ่งเนี่ยอายุก็ยังไม่มากนะแกไปหาหมอกายภาพบําบัดเพราะว่าหกล้มอยู่เป็นประจํา แย่าก็เล่าว่าเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยหกล้มไปแล้วหกครั้งแล้วก็สามในหก น, นั่นนะก็หกล้มตรงจุดเดิมตำแหน่งเดิมที่บ้านหลวงที่เราอาการนะหมอก็สังเกตนะมือของผู้หญิงคนนี้กมอะไรบางอย่างเอาไว้ถามว่ามันคืออะไรก็คือเครื่องกดกดจำนวนครั้งนะ ทีระหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งแล้วแกก็อธิบายว่าเนี่ยแกเคยคิดไม่ดีกับพ่อแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีกับพ่อขึ้นมาก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นเพราะการคิดไม่ดีของพ่อการคิดไม่ดีเกี่ยวกับพ่อนี่แหละนะก็เลยพยายามที่จะห้ามใจไม่ให้คิดถึงสิ่งไม่ดีเกี่ยวกับพ่อวิธีก็คือสวดมนต์ สวดมนต์ไปประจำแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นสวดพยายามให้ได้ให้ได้เป้านะไม่รู้ว่าร8อจบหรือว่า 84,000 ส่นจบนะสวดมนต์เสร็จจบหนึ่งก็กดทีนึงนะเดี๋ยวก็เล่าวเนี่ยก็สวดมนต์อยู่เป็นประจำนะเพื่อไม่ให้จิตมันคิดไปในทางอากุศลเกี่ยวกับพ่อแล้วก็เล่าต่อไปว่าเนี่ยที่มาหาหมอ ครั้งนี้เพราะว่าเนี่ยหกล้มครั้งล่าสุดเนี่ยหกล้มซ้ำซากมากเลยครั้งล่าสุดนี่กเธอก็เล่าว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าขณะที่กำลังเปิดประตูลงจากรถพอก้าวลงจากรถเท่านั้นแหละก็ล้มลงไปเลยหมอก็เลยถามว่าตอนนั้นเนี่ยคุณสวดมนต์อยู่ใช่ไหมคนไข้บอกคุณข้ประหลาดใจมาเอามอรลู่ได้ยังไงอ่ะ มารู้สินะเพราะว่าฟังอย่างที่เธอเล่าเนี่ยตอนที่เธอลงจากรถเนี่ยนะพอเธอสวดมนต์เนี่ยใจก็ใจของเธอก็มีเหตุการสวดมนต์แล้วก็ลืมไปว่ากําลังลงจากรถหรือว่าไม่มีสติอาการก้าวเท้าลงจากรถเรียกว่าตอนนั้นก็ไม่รู้ตั ว, ล, วลืมกายลืมว่ากําลังลงจากรถ พอไ ม, มไม่มีเสียการลงจากรถนะมันก็ล้มสินะหมอก็เลยแนะว่าทีหลังเนี่ยเวลาลงจากรถก็ให้มีเสติอการก้าวเท้าออกจากรถนะยังไม่ต้องสวดมนนะั่นนี่ยังดีนะที่เธอแค่ล้มลงขณะที่ก้าวเท้าลงจากรถไม่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่าขณะที่เธอขับรถ ก็คงจะสวดมนต์ไปด้วยแหละทำสองอย่างพร้อมกันสวดมนต์นี่เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแต่ว่าธรรมะนี่มันต้องทำให้ถูกที่ถูกเวลาด้วยไม่ใช่สวดมนต์ขณะขับรถหรือสวดมนต์ขณะที่ลงบันไดหรือสวดมนต์ขณะที่ก้าวเท้าลงจากรถอันนี้เราทำสองอย่างนะทำสองอย่างพร้อมกัน แม้สิ่งที่ทำเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าว่ามันทําให้ขาดสติกนะกับการทําอีกอย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปได้นะเพราะว่ามันทําให้เกิดโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่า ท, ทําชตอย่างเนี่ยนะมันมีความหมายอย่างนั้นจริงๆเวลาลงจากรถก็แค่ลงจากรถ ในะจยอยู่อาการก้าวเท้าออกจากรถไม่ต้องทําอย่างอื่นไปด้วยเฉินสดมนตหรือว่าขบคิดธรรมะนะหรือว่าคิดเรื่องงานเรื่องการนะอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นวิธีการไม่ใช่เป็นแค่วิธีการเจริญสตินะที่ดีที่ทําได้ในชีวิตประจําวันเท่านั้นนะแต่มันจะเป็นการช่วยนะทําให้ชีวิตเนี่ย ปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันอันตรายก็เกิดขึ้นได้นะเพราะการขาดสติกินข้าวเนี่ยใจก็คิดนึกไปนน่นคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีคิดบางเรื่องแล้วเกิดเกิดความเศร้าหรือเกิดความแค้นขึ้นมานะหรือเกิดความโมโหโกรธาขึ้นมาในเรื่องที่ผ่านไปแล้วบางทีสำรักสหรับข้าวเลยนะ ข้ติดคอเลยนะอย่างดีถ้าเป็นข้าวถ้าเป็นขนมหวานนี่นะอาจจะหายใจไม่ออกเลยก็ได้ตายบางคนทําความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นะเป็นพนักงานทําความสะอาดฟังเพลงไปด้วยแล้วก็เคี้ยวหมากฝรั่งไปด้วยบอกว่าเผล่น ะ, ห ม, นะหมากฝรั่งติดคอถ้ายังไงก็เอาไม่ออกนะตายก็มีหรือว่ากลายเป็นเจ้าชายนิทราก็มี แต่บางคนก็ยังดีนะรู้วิธีที่จะเอามันเอาหมัหมกฝรั่งออกมาจากคอได้ด้วยการกระแทกหาอะไรมากระแทกกับบังลมให้มันอาอาจเจียนออกมาอันนี้พอเขารู้วิธีแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีก็เมียนเป็นไปนะถึงตายหรือว่ากลายเป็นเจ้าชายนิตราหรือเจ้าอยู่นิตราก็มีอันนี้พ่อทํำหลายๆอย่างพร้อมกันนั้นถ้าหากว่าอยากจะให้ ร่างกายปลอดภัยนะแล้วก็ใจผ่องใสเพราะมีสตนะิก็ให้ลองฝึกทำเทีลอะอย่างถ้าทำเทีลอะอย่างไปจนกระทั่งมีสติกับการทำแล้วก็ตามเนี่ยถึงเวลาจำเป็นจะต้องทำาออย่าง3าอย่างพร้อมกันมันก็ก็ทำได้นะอย่างมีสติอย่างระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัย